นะั่นเลยแต่พระธรรมที่ทิ้งไว้ให้ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆก็ล่วงลับดับขันไปบ้างก็มีนะัเราก็หาครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ได้นะนัในในครูบาอาจารย์ที่เรามีความเลื่อมใสให้เป็นกัลยาณมิตรได้นะันี่คือกัลยาณมิตรในลักษณะที่สามกัลยาณมิตรในลักษณะที่4ีนะัพระพุทธเจ้าก็ให้เอาอริยมรคมีองค์แนี่แหละเป็นกัลยาณมิตร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 เหมือนกันถ้าคุณมีกัลลานมิตรมีมิตรดีเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจะทําสมาสมาธิให้แจ้งได้เนี่ยให้มั่นใจได้เลยทําได้พอทําสัมาสมาธิให้แจ้งได้แล้วเนี่ยจะมีเขาเรี ย, รยกนิพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะเออหมายความว่าพอมีสมาสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยทำได้ให้มั่นใจได้เลย